เรื่องยืนน้านเลยถ้าเราพิจารณาดูพระพุทธเจ้าสอนสอนธรรมะเรื่องยืนเดินนั่งนอนสอเรื่องการกินดื่มขับถ่ายสอเรื่องชีวิตประจำวันง่ายมาก เราก็ไม่รู้นะว่าสิงธรรมดาที่สุดนี่แหละคือธรรมะแต่ตอนเราคิดว่าธรรมะคือสิ่งที่มันมันดูทุกจ ร, รับหรือว่าดูเป็นอะไรที่เขา้าถึงยากมากนะหรือเราปปฏิบททนะัติธรรมมันก็แรกๆ ก, ก็ไม่เข้าใจว่าจะทํายังไงถึงจะสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาอย่างจะมาเอง ตอนเป็นเด็กก็ไม่รู้อะไรมันก็สนใจบางคับมันก็สนใจความวบ้านนะนะเป็นกูสอนที่โรงเรียนนะสอนให้พุดโทนะเราก็ว่างว่างตอนก่อนนอนแล้วก็พุดโทบ้างนะวันละสิบนาทีสิบห้านาทีก็นอนหนลับแล้วพุดโทตอนก่อนนอนนะนะก็หลับสบาย หรือโตขึ้นมาสักหน่อยก็ได้ฝึกปฏิบัติแบบไม่ต้องพึ้นโทรศนะเพียงแค่ดูลงหายใจนาฬานาสติแต่มันก็ต้องนั่งนิ่งๆนะมันก็ต้องนั่งนิ่งๆดูลงหายใจหรือเวลาเดินบางทีก็อาจจะเดินช้าหน่อยกำหนด ย, ยกย่างเหยียดมันก็อ เราก็ถ้าเราว่าถา้าเรามีเวลาเราก็สามารถปฏิบัติทำได้มากขึ้นจิตนะก็สบกงบเพิ่มขึ้นนะเวลาก็ทำได้นานขึ้นแต่มันก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเราก็ปฏิบัติได้ในตอนที่เราต้องนั่งนิ่งหรือตอนที่เราต้องเลยเช้าเป็นะก่อ น, น, นแล้วนันก็เราจะปฏิบัติตอนนี้นเราต้องอริการ ตอนนั้นก็ได้อ่านเพิ่มเอ่านของหลวงปู่ติ๊กท่านนะท่านก็สอนให้เรามีสตนะิในกิเลสบทอื่นอย่างเช่นจำได้เลยตอนรับโทรศัพท์นะท่านบอกว่าให้มันตังสักสามรอบ ก, ก่อนนะให้ไปรับนะจำได้เพราะเราจำได้ตอนเด็กเนาะแต่โทรศัพท์จังไอพี่น้องจะแย่งัน้วิ้งไปรับเหมือนกันะ สนุกนะเพราะไก่ไก่ได้รับโทรศัพท์นี่ตอนนา้นที่กินโทรศัพท์ก็ไม่ใช่ของเรารอกของคนอื่นนะ <c oughs> เราก็สนุกในการรับสับกตะโกนอ่าอ่อาอืมจอร์ดูนะอาตอนัอ้นสอเออจริงจริงพอให้เราตั้งสติก่อนแล้วถ้ไปรับ น, นะหรือวันทีท่านต้องมีอุบายหลายอย่างมีสโลกทำนะเข้าห้องน้ำนะ ก็มีสโลกเวลานั่งถ่ายเจะราทักประมาณนั้นนะประมาณว่าของเข้ากับของของอกแมันก็เป็นสิ่งเดียวกันนั่นแหละทำไม่ได้แล้วก่อนทา ไ, ได้ก็เอามาใช้มากขึ้นนะในการถ่ายในการรับโทรศัพท์หรือนในการใช้ชีวิตแต่มันก็ยังไม่ค่อยต่อเนื้องกัได้หรอก ตัเมืเนี่ยได้มาฝึกปฏิบัติกับตัวพ่อเทียนนี่แหละกแรกจะเห็นบบนี่แหละรูปแบบการยกมือตั้งจังหวะก็ดูแปลกนะดูแปลกเราก็ไม่เคยรู้ว่าปฏิบัติทำแบบยกมือแี้ก็มีด้วยในโลกนี้คิดว่าเราต้องนั่งนิ่งๆ น, นะหรือว่าต้องดูลองหายใจหรือแม้กระทั่ต้องบริกรรมพุโทโธอะไร คิดว่าปฏิบัติธรรมต้องต้องนั่ ง, งแบบนั่งสมาธินั่งหลับตาพอมาเจอวิธีแบบยกมือแบบหนุนเทียนแล้วก็ยืงตาทำนะพอไม่ค่อยเข้าใจหลับๆแต่ไม่พอไม่เข้าใจก็ไม่ค่อยถามผู้อาชท่านเหกันนะแต่เราก็อยากรู้เราก็เนี่ยก็สูตรเนี่แหละนะก็สูตรนะมหาปฏิปทานสูตรนี่แหละก็นะไปอ่านดู ก็เมืนที่เราสวดเมื่อสักครู่นั่นแหละพอเราอ่านดูแล้วก็เอออันนี้พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้แบบนี้ท่านสอนแบบนี้วิธียกมือสร้างจังหวะก็คือการคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกนะีมันเป็นแต่ว่ามันไม่ได้ว่าบอกแค่สิบสี่ท่าแต่มันคือหลักก็คือคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกให้มีสติและหลวงพ่อเทียนเองท่านก็อให้เราอี มีสติในบทอื่ น, นไปด้วยใช่แต่กินจะนอนจะตักจะถ่ายก็มีสติไปด้วยก็เลยเริ่มมาเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อที่จริงแต่ก่อนเราจะมีสติก็มีสมาธิได้ตอนที่เราต้องนั่งนิ่งๆนั่งหลับตาคือต้องภาวนาปฏิกรรมแต่พ่อหลวงา็ที่น น, นสอนให้เรารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหว อายกมือสิบสี่จังหวัดเป็นเพียงแค่ถ้าถ้าเรานั่งไม่มีงานทำเราก็ทําแบบนี้หรือมันนั่งนานมง่วมมันเมื่อยก็ไปเดินจงกรมกลับไปกลับมาแต่ก่อนก็ไม่รู้เดินทําไมเนาะกลับไปกลับมากันยังไม่เดินไกละนะนะกันยัไม่เดินทุ ด, ดงแบบนู้นไกลๆนะที่จริงมันกลับไปกลับ ม, มันก็ดีอย่าง ก็คือว่าบางทีเราเดินแต่เราจะปุ่มซ่าเดินไปเมันเหมือนคิดเร็วมากนะเรื่องนั้นเรื่องนี้นะบางทีเราก็เพิ่งเหน็นในสโซนตอนมันกลับตัวนั่นแหละมันถึงมันถึงหยุดความคิดได้ครั้งหนึ่งนะพอเอดินดีกสิบเก้ามันก็เดินคิดอีกแล้วนะพอกลับตัวมันก็ยุดความคิดได้อีกครั้งหนึ่ง มันก็จะเห็นอ๋อจริงๆเดินจนครแบบกลับไปกลับมาเราก็จะเห็นว่าเราคิดมากฟุ้งมากแล้วก็มันจะรู้สึกตัวบ้างตอนกลับตัวหรือรู้สึกตัวบ้างตอนที่อย่างเราเดินขอดองเท้าวเวลาเท้าสัมผัสพื้นมันจะรู้สึกตัวได้ชัดขึ้นแต่ก่อนเราเดินกบบใส่รองเท้าเดินทั่วไปเนี่ย บางิีก็ไม่ค่อรู้สึกตัวแต่พอมีการสัมผัสที่มันชัดขึ้นน ะ, ะมันก็ทำให้เรารู้สึกตัวได้ได้บ่อยขึ้นนะมันก็ราอรูปแบบเขาก็มีประโยชน์มากๆช่วยให้เราได้ตื่นหรือการยก ม, มือสิบสี่จังหวะที่จริงมือเราก็เคลื่อนไหวอยู่เสมออยู่แล้วแต่ทำไมเราไม่รู้สึกตัวนะ <c ười> แต่พอมายก ม, มือสิบสี่จังหวด มันก็เป็นอุบายให้เรารู้สึกตัวได้ชัดอย่างเช่นหลวงพ่อเทียนท่านสอนนะให้เราทำเป็นจังหวะพลิกนิขึ้นรู้สึกตัวยกนิ้วขึ้นรู้สึกตัววางลงรู้สึกตัวเอาขึ้นรู้สึกตัวเอาออกรู้สึกตัววางลงรู้สึกตัวมันรู้สึกเป็นจังหวะ คือทําทําแต่ละครั้งรู้สึกตัวทีละครั้งแล้วหลวงพ่อเทียนจะเน้นว่าให้เราเคลื่อนด้วยแล้วก็หยุดด้วยไม่ต้องดี้นเะนี่ยบางทีเราทําแบบเร็วๆมันก็ไม่รู้ว่ารู้อะไรแต่นี้แบบที่รู้สึกยกรู้สึกวางรู้สึกแค่ให้จบแค่คําว่า จบแค่ความรู้สึกแค่รู้สึกนะแต่ใหม่ๆก็ไม่เข้าใจหรอกว่าบางทีเราก็จะพูดนะรู้สึกรู้สึกรู้สึกเราก็ยังพูดไปเรยจํากไปเรื่อยคิดว่ารู้สึกมันต้องพูดไปเรื่อยหรือบางทีก็พูดไปมากกว่นั้นพี่รู้สึกว่าพี่มย์ยกรู้สึกว่ายกเมย์ อันนี้มันมากจนไปแ <c> ล <ười> ้วแต่กินมราก็จะสอนแค่แค่รู้สึกที่เป็นอะไรนะเป็นความรู้สึกของร่างกายนะคือร่างกายมันมันเคลื่อนนะดูพี่เนี่ยคือความรู้สึกที่เป็นส่วนของร่างกายหรือว่าการกระทบเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ท่ากายมันมันดูของคำายู่ล้ใจเราก็เห็นแค่รู้นะแค่รู้นี่สำคัญ่ากนะ มันเราเดินแต่ก่อนก็เราเคยเดินแบบบริกรรมเนาะยกย่ามีอะไรนะ้นะ mm hmm. เราก็คิดว่าปฏิบัติธรรมมันต้องต้องมีบริกรรมมากำหนดด้วยแต่เราว่าเทียนท่านบอกไม่ต้อง mm hmm. แค่รู้สึกเ mm hmm. ค่กนกตัเรารู้สึกก้าวรารู้สึกนี mm ่ยดังนั้นปฏิบัติธรรมมันก็เลย พเราตัดบริกรรมออกไปมันก็ง่ายขึ้นนะแต่ก่อนพอเราบริเรากังวลเรื่อบริกรรมเนะี่ยอันนี้จะมานะบางทีเรารกังวลแค่แบบตอนจะยกนะมันแบบไหนนะ่าถึงจะค่อยมาบริกัรมขยยกเลยนะยากจต้องมาอืมจังหวะไหนมันยากตอนเริ่มยากหรือตอนขนัดยากถึงเือจะเรียกว่ายากละเอียบเนะี่ย เท้าสอาดนหรือว่ากระซนเท้ากดนมถึงว่าเลือดเสียอันนี้ส่วนตัวนะบางทีมันพอเราไม่เข้าใจก็เราพยายามหารายละเอียดหารายละเอียดปรุงแต่งหลายอย่างนะแต่จริงๆนะพอมาฝึกกับหลวงพ่อนะหลงพ่อกำกเขียนนะนั่นก็ไมได้สอนแบบจริงๆแบบจิงๆท่านพระเทพให้เราเข้าใจเทให้เราเ ข, า ใ, จ ใ, เาเขาใจว่า แค่เรารู้สึกเฉยๆไม่ต้องไปลงรายละเอียดแค่รู้สึกมันอย่างที่มันเป็นะนะั่นแหละก็ค่อยๆลดครับไม่ต้องไปรู้แบบละเอียดก็ได้แค่รูนะ้อย่างโคจรเรื่้งต่อนะเดินก็แค่รู้ว่าเดิน <c oughs> ไม่ต้องไปลง ร, ราลงยละเอียดว่ามันกำลังยกหรือย้าหรือเบียแค่รู้สึกตัวว่าตัวมันกำลังทําอะไร อันนี้คือรู้สึกเป็นเบื้องต้นนะรู้สึกตัวรู้สึกกายก็ทําทไปเนื่อยๆนะบางทีก็โง่บ้างบางทีก็คิดบ้างบางทีก็ตกใส่บางทีก็ก่ว้ <c oughs> ทุกอย่างมันมีอยู่แล้ว น, นะอืมแต่ก่อนเราก็คิดว่าปฏิบัติธรรมเราก็อยากจะอย่ากจะสงบเนาะปฏิบัติธรรมทำไมันไม่สงบปฏิบัติธรรมทาไมมัน โอ้มาก็สงสัยเลยเองนะตอนเรานี่ปฏิบัติทำมันจาไม่ได้เนื่องจากจำได้แต่อายุสองปวกอะสมายไงจุนจุนนะดื่ครับเหตุการณ์ที่เคยแกล้เพื่อนแกล้เพื่อนแล้วแบบแกล้เพื่อนอีกคนนึงนะเราเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนที่ถูกแกล้แล้วก็ใจผิดว่าเพื่อนอีกคนนึง มันแก้มันก็เด้ไปตีเพื่อนคนนั้นนะไอ้เรามันมึนๆเนะเราไปแก้มันก็โอ้เราทำให้คนตีกันมันมันจำมานก็ไม่รู้นะเดินจมกอแล้วมันคิดขึ้นมาจิตได้ใ้มันปวดขึ้นมานะมันก็มันก็เห็นอดีตนะอดีตที่มันผ่านมาตั้งแต่เด็กๆจนถึงตอนที่เรา วันน e ี h h ้น่ะมันก็ไหลออกมามันไหลนะมันไหลแต่มันไม่เรียวลำตับหรอกมันก็แล้วแต่หรือบางทีก็อนาคตอนาคตก็ไหลเป็นกลุงโครงการหรือว่าดฝันในอนาคตเรื่อนั้นอี้หรือบางทีมันก็ไหลเป็นกับปัจจุบันเห็นนกบินนะนกอัวนี้สวยนกอะไร หรือบางทีมันเบื่อๆยอะไรก็นม่สนใจหมดอ่ะเห็นมาแมลงมันเดินอยู่ก้างๆทางจมกองอ่ะก็สนใจหมดแล้วนะอืมันมันดึงความสนใจขอใจเรามันเบื่อเนาะน่าเบื่อเดินจงกองไม่เห็นจะได้อะไรนะบางทีแค่แมลงเดินเนี่ยก็สนใจเสียงนกร้อง ก็สนใจหรือมีคนเดินผ่านมาใกล้ๆเขาพูดอะไรกันเนะ่ยใจก็เป็นฟังหูก็เป็นฟังกับเขาคือจิตเนี่ยแหละนะจิตที่มันมั ก, มกไหลไปอดีตหรือพุุงแต่งในอนะคาคตหรือไหลกับสิ่งที่กระทบในปัจจุบนะันน่ะอันนี้เรียกว่าขาสดสติคนเราจะไม่ค่อยรู้ตัวว่าเราขาสดสติ คือเราจะไปจะมันสุดแล้วไฟอิ่มตรงนี้แล้วก็ไฟแล้วไฟไปปรุมเรื่องอือต่อ <c oughs> เราก็คิดว่า น, นี่คือปกติของคนเนาะแต่พอเราปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเห็นการเนี่ยใจเราไปคิดใจเ ป, ป็ปรุงใจเป็นจมกับเราณอ๋อ <c oughs> อันนี้เรียกว่าขาดสตินะขาดสติคืออย่างนีนะ้เราจะรู้เลยว่าอ๋อ วันว no ันหนึ <c ười> ่งเนี่ยเราเดินเรานั่งเรานอนเนี่ยส่วนใหญ่เราก็อยู่กับอารมณ์ไปอยู่กับความคิดจะรู้สึกตัวรู้สึกว่ากำลังทาอะไรจริงๆเนี่ยไม่บ่อยหรอกนะหรือเราจะหยุดความคิดได้การคันจริงๆไม่ค่ยบ่อยหรอกนะคลนายๆเหมือนกับยุงนะเรามักกัดเราอ่ะเราจะปัดยุงขณะที่มันยังไม่ยินเนี่ยไม่บ่อยหรอกส่วนใหญ่นะ ตอนนี้มันโดน ย, ยุงกัดจนอิ่แล้วก็ค่อยไ ป, ไปอันนั้นออันนั้นคือกามาเปรียบเทียบเหมือนกับความคิดอนะนะอยู่ในตับความคิดที่มันมามาเกาะเนื้อแล้วก็ดูดเลือดนะไปจนอิ่แล้วก็บินไปความคิดของเราก็คล้ายๆน้าดักะนะมันมาเกาะนะมาเกาะใจแล้วก็ชวนเราคิดเราก็ไปจมลงใ น, นอารมณ์จนถ้ามัน มันคายลมันนีน่แหละคความหลงของชีวิตเราเนะวิธีการก็เนีน่ยะร่างกายนะร่างกายร่างกายทำอะไรนะให้ใจรู้สึกคือที่จริงความรู้สึกตัวคือมันเป็นเรื่องของร่างกายที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็จิตใจก็รู้สึกอยู่ที่ปัจจุบนันไม่ใช่ เมื่อกี้นะเมื่อกี้เรากิงข้าวเราก็จะลึกได้ว่าเมื่อกี้มันกินข้าวอนี้ไม่ใช่ปัจจุบันใช่ไหมหรืออารมงเมื่อวานโกรธวันนี้เพิ่งคิดได้ว่าเมื่อวานเป็นโกรธเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ปัจจุบันปัจจุบันคะือคือตอน น, นะตอนนี้ตอนนี้เรานั่งก็รู้สึกว่านั่งนะมันหายใจปุ๊เนะีย หายใจเข้าเนะี่ยมันรู้สึกตั้งแต่นอนหายใจเข้านะแต่บางทีพอเราหายใจเข้าุก็มันหยุดแล้วเรามาบรกิกรรมว่าหายใจเข้าหนอนสมมตินะหายใจเข้าที่จริงมันหายใจเข้าไปแล้วมันหยุดแล้วเรามาบรกิกรรมที่หลังเนี่ยมันไม่ใช่ปจิบัติปัจจิบันตนก้คือมันหยุดข้อที่จริงถ้าเรารู้นะเข้าก็รู้หยุดก็รู้ออกก็รู้ หยุดก็รู้คือรู้ที่ปัจจุบันนะรู้อย่างไรตรงที่ปัจจุบันนะั่นแหละคือคือการมีสตินะแต่บางทีบางอย่างเราต้องไม่รู้เราไม่รู้นะน ก, นะนะกนไ็ไม่เป็นไรเพราะร่างกายเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาลืงไปแล้วไม่เป็นไรเมืนอี้เช่หนหายใจเข้าไม่รู้ ก็รู้ตอนหายใครั้งใหม่ละมันออกก็รู้ว่าหายใจออกเดินก้าวมาสักครู่นี้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็รู้สึกตัวในก้าวครั้งใหม่เลย <c oughs> ยกมือสิบสีจังหวะสองสามจังหวะแรกไม่รู้อัชชั่งของมันรู้จังหวะที่สามไปเลยนะ้นะคือเรามีปัจจุบันที่มันสามารถรู้ใหม่ได้เนคือมีสติ หรือบางทีอารมณ์บางอย่างเราดึงเรารู้ไม่ทันนะก็ไม่เป็นไรนะอย่างบางทีบางคนถามนะบางทีจะทํายังไงดีเช่นมาเป็นโกรธเขานะแล้วก็เป็นโกรธเขานะแล้วก็ดึงนะแล้วดึได้นะทําไงดีถึงจะรู้ทันความโกรธอย่างเร็วมาบอกว่า ให้ดูแต่เองก่อนตอนนี้รู้สึกอย่างไ ร, งรงก็ก็เสียใจเออให้รู้ความเสียใจคือปัจจุบันตอเนี้ยจินใจมีเสียใจให้รู้ให้รู้ทันเรากำลังเสียใจคือเสียใจอะไรเสียใจที่โกรธควาโกรธยังไมเป็นอดีตนะแต่ตอนนี้คือเราเสียใจที่เราโกรธให้เรารู้ทันความเสียใจ นี่ยคือการรู้ลงที่ปัจจุบันหรือบางทีเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยบางทีพอมันลงปุ๊บนะรู้ได้เร็วไอ้รู้เร็วมันก็ดีละแต่พอรู้เร็วเกิดความดีใจให้เรารู้ทันว่ามันมันดีใจอีกทีนี้คือที่ปัจจุบันนะเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันโกรธแล้วเรารู้ทันอันนี้นก็รู้แล้วนะแต่ทันกลายเป็นดีใจ เราก็รู้กวามกอนมีใจนี่คือรู้ที่ปัจจุบันอไอความโกรธก็ผ่านไปแล้วไออาการรู้เมื่อกี้ก็ผ่านแล้วนะแต่ตอนนี้ตื่ใจมีใจก็หลงเป็นความมีใจนันจิตจิตของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากนะเราก็ดูมันดูมันเกิดดูมันตับดูมันเปลี่ยนแปลงไปนี่แหละนะนี่คือรู้ที่ปัจจุบันลงนะเรากินข้าวปุ โดเช่ขานขณะที่กินบางทีก็รู้ร่างกายที่เช่นปากที่เคี้ยวใช่ไหมพออกินไปแล้วมันรสชาติขนาดนันปูกป่าเกิดความชอบใจเราก็เห็นใจที่มันชอบพอมันชอบแล้วกินคืนมันไปแล้วนะมันก็ไม่มีผัสสะมาเราชอบให้ชอบแล้วมันก็เฉยใช ก็เฉยไปแล้วพอไปตัดกับข้าวทำไงประดัดนะอาหารไม่อร่อยเกิดความไม่ชอบใจแล้วก็รู้ทันนะจะเห็นได้บางทีนะกินข้าวหนึ่งมื้อเนะี่ยเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็ไม่ชอบเ <c oughs> นะี่ยมันจะไปเกิดเปลี่ยนไปหลายอย่างมันไม่ได้มีอารมณ์เดียวนะ <c oughs> แต่ อารมณ์ทุกอย่างนะมันเหมือนเสียงเียวมาพูดไปนะมันก็จบจบทีละคำนะมันผ่านไปทีละคำทีละคามันไม่ได้ก้องคําวาอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ก็เหมือนกันนะมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแต่เสียงนั้นมันจะไม่ดับถ้าเรามีย้ำย้ำคิดย้ทำทําอยู่ในใจของเราเช่นมาพูดอะไสักอย่างนึง มันโดนใจมากว่าจะโดนใจทางชอบหรือทางไม่ชอบนะ <c oughs> มันจะมันจะโดนแทงอย่ในใจแล้วเราก็จะคิดนะคิดไปบ่อยนะเหมือนเมื่อวานนี้่โยมมาเล่ากันไปตัดผมตัดผมแล้วส่งผมไม่ถูกใจอยนีนะอยากานะกระแพนเลยหกร้อยบาทตัดมาก็ไม่ถูกใจนะ มีคนมาทักแล้วผมพี่เวตาคมมาเหมือนผู้ชายเลยนะก็เป็นผู้หญิงนะจี๊ดค้นอะไรนะเพราะมัรู้สึกมันมันเหมือนว่าเขาแทนที่ใจเขาว่าเขาเขาตั้งทักอัจจะไม่ทักด้วยอะไรนะแต่มันก็ทักทายกันนานๆนนทีทเห็นผมแปลกก็เลยทักแต่พอคิดเมื่อไหร่พวกนี้ ไม่พอใจคนตัดผมอะไรอยนี้ไม่พอใจผมตัวเองนะนะมันเกิดความคิดขึ้นมาบางทีอันนี้คือมันก็มันก็เร็วนะแต่ถ้าเราแค่แค่รู้ว่าใจนม่พอใจอันนี้ยพอลนะอแต่ถ้าเราแบบถ้าเราไม่รู้ทันแล้วก็มันจะย้อนกลับไปละกลับไปหาคนตัดผมกลับไปหาคนทักอนะไ้วมันจะเด้งกลับไปกลับมาบ่อย แต่ถ้าเราแค่รู้ว่าใจไม่ปอใจมันว่างใจไม่พอใจมันว่างคิดอีกละอ่ะไม่เป็นไรพอรู้แล้วมันก็จะวางต่อไปเรื่องผมก็จะชักหัวมันนี่มันว่างแน่นตรงใจชักหัวมันนะที่จริงความทุกขของเราของหลายๆคนอ่ะมันก็บางทีมันก็วางได้พอมันมันคิดไปหอยมันก็เบื่อน่ะอื้นบางคน ญาติพ <c ười> <laughs> ี่น้องเสียชีวิตกันนะสังเกตนะเราก็จะทุกข์เราก็จะเศร้าอ่ะตอนแรกนะแรกมันก็เศร้ามันก็ทุกข์บ้านเป็นใหญ่แต่พอสักญาตินึงมันนึกสิว่ามันมันทุกข์อแล้วมันก็วางนียทุกข์พอแล้วมันก็วางนั้นที่จริงเราไม่ต้องไปห้ามตาอทุกปล่อยให้ความทุกข์มันเข้ามาแล้วเราก็แค่รู้มัน รู้มันแล้วมันก็จะวางมันเองแหละนะแต่ถ้าเรายิ่งไปน้ามอยู่มันเหมือนเหมือนน้าอ่ะฝนตกน้ํามันจะไหลเข้ามาเรายิ่งพยายามไปห้ามนะเรายิ่งเหนื่อยนะเราต้องยิ่งถ้ากําลังน้ํามันแดงเราย่อมยิ่งตร้างตะแคงที่มันนานาหรือต้องระวังแต่ถ้าเรารู้ว่าที่จริงแถวบ้านเราเนี่ยมันที่กินไปเป็นเพียงแค่ทานน้ำมันผ่าน ไม่ต้องไปต้านมันกรอกปล่อยมันไหลไปมันก็จะมันก็จะมันก็จะจบของมันเองการใช้เหมือนกับเราทําตัวเหมือนกับหาดทรายคลื่นจะใหญ่หรือขึ้นจะเล็กขนาดไหนปลอมันก็ทบทบทเจอหาดทรายนะมันก็สลายทุกคนก็คือกับหมดการอะไรแหะจิตของเราเองก็ต้องเหมนกันนะทาตัวเหมือนหาดทรายคือ ไม่ต้องต้านอารมณ์เพียงแค่รับรู้รับรู้อารมณ์อย่างที่มันเป็นจริงรับรู้อารมณ์อย่างที่เป็นจริงแล้วมันก็จะเห็นว่าอารมณ์นั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะหายไปหายไปอันนี้คือเรามีแค่รู้สึกเฉยๆที่ธรรมดานี่คือการภาวนาจริงๆนะว่าจาย่อคือเียนแค่เรารู้กายที่เคลื่อนไหว รู้ทันใจที่มันคิดนึกเนี่มันก็รู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุ บ, บันแต่ให้มีสติเป็นผู้รู้น ะ, นะเป็นผู้รู้คือเห็นกายเห็นกายาเเคลื่อนมีสติเป็นผู้เห็นเห็นใจเขาคิดมีสติเป็นผู้เห็นสิ่งสำคัญจริงคือการการดูหรือว่าการเห็น ไม่เข้าไม่เข้าไปเอาใจไปแน่ไว้กับร่างกายหรือไม่เข้าไปดูข้างในอารมณ์นะเหมือนคล้ายไม่ไม่เข้าไปดูข้างในใคล้ายเหมือนกับเราดูเราอยากจะดูปลานะให้เราดูอยู่บนฝัง่งนะเราอยากไปมุดลงไปในน้ำเพื่อจะดูปลานะ มันจะดูแบบไม่ชัดแบบมันยูจะดูผ่านน้ําแล้วน้ํามันก็จะไม่ไม่มันไม่ใสนะมันไม่ใช่หนังตู้ปลาปลาในบ่อน้ำมันจะตุ่ยแต่เราดูอยู่บนปากอยู่บนบกปลาตัวไหนมันโผล่ขึ้นมาเราก็เห็นมันยังไม่โผล่ก็จับมันไม่ต้องไปคอยไปนับปลาข้างล่างว่ามีกี่ตัวมีอะไรบ้างเราดูอยู่ข้างบนมันเกิดขึ้นเราก็เห็น วันไี่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรอันนี้เเหมือนการดูดูความคิดคือดูอารมณ์ดูจิตมันไม่เด่นก็ไม่ต้องดูมันไม่เด่นเราก็ดูกายเราก็ดูกายพอความคิดหรืออรมมันเด่นขึ้นมาเราก็ค่อยดูความคิดดูอารมณ์นั้นนี่แน่ยิือการรู้กายนะเป็นเบื้องต้นนะต่อไปจะทำให้เรารู้ความคิดรู้จิตใจ นี่คือการภาวนานะมันจะเป็นกา ร, การเยียวยาตัวเราเองนะนะเยียวยาอารมณของเราเองนะก็จะเห็นเห็นตัวเราเองชัดขึ้นเห็นทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีนะเด็กนะเห็นทุกอยาก่างนะภาวนาแล้วภาวนาไม่ใช่ภาวนาจะเอาดีนะนะเห็นทั้งดีเห็นทั้งไม่ดี ตามควาเป็นจริงแต่ภาวนาไปเรื่อยนะ่ะมันจะเห็นมันจะเห็นกิเลสเยอะขึ้นกิเลสเนะี่ยมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีท <c oughs> ่านจะว่าแกยกๆหยาบๆนะเช่นโกรธเราจะพูดง่ายๆก็ได้มันไม่ดีนะโกรธนะมันไม่ดีแต่บางทีมันก็มีกิเลสบางตัวที่มันก็แฝงมาด้วยความดีเช่นมานะมานะคิดว่าเรา เราเก่กว่าเขามานะที đ đ ่ว่าเอ้ะเราดีกว่าเขาไปเลยนะมาะเราเราช่วยเสรนะเราเป็นคมช่วยนะเราไป็นผู้ให้นะนั่นะมันแต่ก่อนเราก็คิดว่ามันมันคือกุศลมันคือความดีนะการช่วยเหลือคนมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่มันก็มีมานะก็มาโอ้เราเราเราให้นะทําไมไม่ขอบคุณล่ะ อันนี้นอกสมมตินนะพี่คือมันได้เห็นกิเลสที่มาทั้งที่มันแบบเรียกว่าทุกข์หรือว่าแบบไม่มนะีแต่ก็จะเห็นกิเลสบางอย่างที่มันก็มาในข้าความดีแล้วเราก็จะเห็นยากอันนี้เรียกว่าเห็นกิเลส น, นะเห็นกิเลสมันจะมาในแง่ไหนก็ลองศึกษามันไปเดียวอันนี้คือ การปฏิบัติธรรมมันจะช่วยให้ให้ชีวิตเนาะทั้งวันนี้แล้วก็ต่อไปมันก็จะดีขึ้นอดีตเนี่ยจ่างมันเถิดนะอดีตเน่เราแก้ไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้เนี่ยคือปัจจุบันนะควะำว่ากรรมในทางพุทธศาสนากรรมก็คือการกระทำะการกระทาก็คือทำที่ปัจจุบันนะั่นแหละ กรรจริงในทางพัทศนาคือตรงนี้นะบางคนคิดจะไปแก้กรรมอดีตหรือบางคนอยากจะแก้กรรมที่มันจะเกิดในอนาคตมันเนมันแก้ไม่ได้จริงหมันแก้ได้จริงก็คือเราทําตรงนี้คล้ายๆเหมือนเราขับรถนโยมเมื่อเราขับรถนะแล้าเรารู้ตัวว่าเราหลงทางเมื่อไหร่ที่เรารู้ตัวว่าเราหลงทางเนี่ยเราก็จะค่อยตั้ง GPS ใหม่อนะจากจุดเนี้ยไปไปทางอะมันจะไปเส้นทางไหนได้เราก็จะเปลี่ยนชิตได้นะแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวว่าเราหลงทางนะเราก็ไปเรื่อยนะยิ่งไกลทางชีวิตเราเห็นมัเหมือนกันนะถ้าเราไม่รู้ตัวว่าเราหลงไม่รู้ตัวว่าเราขาดสติเันเลยหลงไปเรื่อยนะแต่ถ้าเมื่อไหรที่เรารู้ตัวว่าเราขาดสติมันเหมือนตั้งต้นใหม่ปุ๊บ มันเริ่มผูกจากตอนตั้งต้งตงนแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่ถึงปลายทางเลยที่ลราแต่มันจะการนี้คิดทางมันจะผูอกอะเส้นทางมันจผูกอะแต่พีนี้นว่ามันยังไม่ถึงที่สุดก็แค่นั้นนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเห็นความหลงเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเห็นกิเลสเราก็เทียนนั้นว่าได้ต้นทางของการปฏิบัติอเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเห็นความหลงนะเห็นกิเลสเห็นความคิดเนะี่ย เราจะได้ต้นทานงากรารปฏิบัติการปฏิบัติจริงๆเนะี่ยคือเริ่มเริ่มเข้าทางตอนที่เห็นความหลเห็นความคิดเราจะก็เห็นตัวนี้แล้วก็เป็นมันจะเห็นบ่อยๆเห็นว่ามันจะเหมือนกล้ายๆการเห็นความคิดเห็นความหลงบ่อยๆมากว่าเหมือนมันเราคําวณน่า GPS บอกเออยังอยู่ในเส้นเป็นฐางที่ที่ ที่ถูกเยอะมันเป็นมันเต็มพิถูงเยอะี่คือเห็นกิเลสเป็นต้องลงไม่พ่อยนะมันถูกอนะแต่อีกอีกอย่างหนึ่งนะมันก็ไม่เหมือนขับรถเสือเดียวที่เราอดจะถึงปลายทางนะก็อาจะใช้ใเวลาแต่การภาวนาเนะี่ยเมื่อไหรที่เราเห็นเห็นกิเลสเห็นความคิดเห็นความหลงหรือเมื่อไหรที่เรารู้สึกตัวนะเราก็จะสัมผัสสภาวะแห่งความ ไม่พุ่นะความไม่พุ่ง น, นิพพานะคนเราบางทีเราคิดถึงอย่างเราปัตนานิพพานนะที่อนาคตนะหรือเมื่อตอนไหนก็แล้วแต่นะแต่จริงนิพพา น, นจริงๆคือคือตอนนี้คือตอนนี้หลวก็อ่อเทียนนะท่านเคยเล่าให้ฟนะังว่าท่านถามโยงนะโยงทำบุญ เป็นใหโยมนะก็อธิษฐานทำบุญหลวงพ่อเทียก็คงนโยคนนี้อธิษฐานานานก็เลยถามว่าโยมอธิษฐานอะไรได้ยงนะโยมก็บอกว่าอธิษฐานขอให้ไปถึงนิพพานนะหลวงพ่อเทียก็ถามแล้วจะถึงนิพพานตอนไหนอ๋อเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวจะไปถึงนิพพานหลวงพ่อเทียก็ถามนั้น โยเอยากจะตายวันนี้หรือเปล่าก็ยังไม่อยากไปตายวันนี้ก็แปลว่ายังไม่อยากถึงนิพพานวันนี้แต่จริงท่านตระกายชี้เห็นว่าที่จริงนิพพานวันนี้นิพพานตอนนี้ก็มีนะไม่ใช่นิพพานตอนเราตายนิพพานตอนนี้ก็คือไม่คุกข์นี่แหละคือนิพพานนะ เนี่ยการความรู้สึกตัวการมีสีจะทําให้เราสัมผัสต้นนิพพานหรือความมีทุกข์นะในแต่ละครั้งอันนี้ยสําคัญที่สุดเลยนะน ะ, น ะ, น ะ, นะ ก, ก็ก็พูดนียก็เราฟังแล้วก็ปกตจะได้ปฏิบัตินะการภาวนาการเรทะทับมันมันต้องแบบสําคัญเองเดียวเหมือนมันจะรู้สึกเองว่าอ๋คือสติ เป็นแบบนี้รู้สึกตัวเป็นแบบนี้โด่งไปคิดนะไรเนี้ยมันจะต้องรู้สึกด้วยใจของเราอ่ะเมื่อเรากินข้าวอ่ะเมื่อจะมาเป็นพ่อครัวอา ม, มาเป็นนักพูดนะน้งน้าวขายอาหารนะมาบรรยายสรรพคุณอย่างนี้อะไนะได้เก่งมากแต่โยไม่ได้กินทักคำเนี้ยมันที่เราจะเชื่อนะว่ามันอร่อย แต่ถ้าเราชิมแค่คําเดียวเนี่ยมันมันจะรู้ได้ตัวเองการพูดน้มน้าวคือการคิดเอาคิดว่าดีคิดว่าน่ามันก็ อ, อาจจะโอเคอหละแต่เราชิมแค่คําเดียวเนี่ยมันไม่มีคำพูดแต่มันจะรู้สึกได้น้องตอกสัมพันอะไรนั่นะทจริงใช่ไหมมันเราจะถ้าเราห่านถ้าเราได้ชิมเนี่ยมันจะเราจะแน่ใจว่าที่เราซื้อเนี่ยมัน โอเคกว่าการแค่แบบแค่ดูเฉยๆวันนี้คือการนนําวนักนเหมือนกันถ้าเราเมื่อใดที่เราสัมผัสได้กับสภาวะรู้สึกตัวสัมผัสได้กับเพราะที่มันโห่งไปแล้วเรารู้ทันเราจะมั่นใจในการภาวนามากะจะวิธีไหนก็แล้วแต่น ะ, นะวิธีไห น, ไ แ, นแล้วแต่เราจะสัมผัสได้อ๋ออันนี้คือทางในความตรงทุกข์นะก็ะฝากไปนะ